อันที่หมีิักิยาปาจิตตีศัพท์ว่าปาจิติยะหรือปาจิตตินั้นท่านแปลว่าการละเมิดอันยังกุศลคือความดีให้ตกได้แก่อาบัติบางทีจะแปลว่าวิติกะมะอันควรยำเกรงจะได้กระมังเป็นได้ทั้งชื่อออาบัติทั้งชื่อสิกขาบท ทรา์ว่านิสักียะหรือนิสักีนั้นแปลว่าทําให้สละสิ่งของคือสิ่งใดเป็นเหตุจึงต้องอาบัติทําให้สละสิ่งนั้นแปลยอย่างนี้เป็นคุณบทแห่งปาจิตติถ้าเป็นคุณบทแห่งสิ่งของแปลว่าจําจะสละสองสั์นั้นควบกันแปลว่าวิติกะมะ ชื่อว่าปาจิตตีอันทำให้สละสิ่งของเป็นชื่อแห่งสิกขาบทแปลว่าปรับโทษชื่อนั้นสิกขาบทกันนี้มีสามสิบจัดเข้าเป็นสามวรกวรละสิบมาดนี้ใช้ทั้งในพระวินัยทั้งในพระสูตรสิบสูตรจัดเข้าเป็นวรเหมือนกัน จีวรวักที่หนึ่งนิสักคียาปาจิตตีสิกขาบทที่หนึ่งว่าจีวรสำเร็จแล้วกรถินอันภิกษุดอดเสียแล้วพึงทรงอติเรกจีวรได้สิบวันเป็นอย่างยิ่งภิกษุให้ล่วงกำหนดนั้นไปเป็นนิสักคียปาจิตตีเป็นธรรมเนียมของภิกษุเมื่อถึงเดือนท้ายฤดูฝนเปลี่ยนผ้าใส่จีวรกันคราวหนึ่ง จึงเป็นฤดูที่ทายกถวายผ้าเรียกว่าจีวอนทานนสมัยหรือจีวอนการในสมัยนั้นภิกษุผู้จำพรรษาตลอดได้รับประโยชน์เพื่อจะเก็บผ้าไว้ได้ตามต้องการเพื่อจะได้ทำจีวอนถ้าได้กรานกรถินประโยชน์นั้นขยายออกไปอีกตลอดเอะมันตลดฤดูภิกษุผู้ไม่ได้กรานกรถิน ทำจีวรสาเร็จแล้วหรือไม่ได้ทําเลยจนพ้นสมัยนั้นแล้วภิกษุผู้ได้กรานกระถิน่นดอกกระถินเสียเองคือทําการบางอย่างอันเป็นเหตุจะถือเอาประโยชน์แห่งการได้กรานกระถินอีกไม่ได้เช่นไปเสียจากวัดโดยไม่คิดจะกลับมาหรือสิ้นเขตแห่งอ น, นิสงกถินแล้วเช่นนี้ภิกษุพึงทรงอธิเรกจีวรได้สิบวันเป็นอย่างยิ่ง วีวอนนั้นมีกาหนดหกโขมังทำด้วยเปลือกไม้เช่นผ้าลินินหนึ่งกับปาสิกังทำด้วยฝ้ายคือผ้าสามันหนึ่งโกเสยยังทำด้วยไหมคือแพรหนึ่งกัมพลังทำด้วยขนสัตว์ยกเว้นผมคนมนุษย์เช่นสักกาดหนึ่งสารังทำด้วยเปลือกไม้สารนะ ซึ่งแปลกันว่าป่านหนึ่งพังคังทำด้วยสัมภาระเจอกันเช่นผ้าได้แก่ไหมหนึ่งผ้ามีกำเนิดหกนี้มีประมาณตั้งแต่ยาวแปดนิ้วกว้างสี่นิ้วขึ้นไปเข้าองค์กำหนดแห่งผ้าต้องวิกับเป็นอย่างต่ำชื่อว่าจีวอนคำว่าวิกับ คือทำให้เป็นของสองเจ้าของคือขอให้ภิกษุสามเณรอื่นรวมเป็นเจ้าของบาตรหรือจีวร น, นั้นๆด้วยทำให้ไม่ต้องอาบัิเพราะเก็บอัิเรกบาตรหรืออัิเรกจีวรไว้เกินกาหนดวิกัปมีสองคือวิกัปต่อหน้าและวิกัปรับหลังจีวร น, นี้มีพระพุท ธ, ธานุ ญ, ญาต ให้ภิกษุมีได้เป็นอย่างยางและบางอย่างมีจำนวนจำกัดเช่นตรายจีวรจีวออย่างนี้เรียกว่าอาธิษฐานจีวอนอันไม่ใช่ของอธิษฐานเช่นนี้และไม่ใช่ของวิกับคือเป็นกลางในระหว่างสองเจ้าของเรียกอธิเรกจีวอนกิริยาวะทรงนั้นแต่เดิมดูเหมือนจะหมายเอาครองหรือนุ่งห่ม ตั้งแต่มีอนุบัญญัติผ่อนให้สิบวันแล้วหมายความตลอดถึงมีได้เป็นสิทธิ์กำหนดนับเป็นวันล่วงนั้นเมื่ออารุณคือแสงเงินขึ้นภิกษุยังอติเรกจีวร น, นั้นให้ล่วงสิบวันถึงอรุณที่ส1บเอเป็นนิสากคยาปาจิตตีอาบัตินี้ต่อเมื่อภิกษุสละสิ่งของอันเป็นเหตุต้องแล้ว จึงแสดงได้สละแก่สงฆ์คือชุมนุมภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปก็ได้สละแก่คณะคือชุมนุมภิกษุสมรูปสองรูปก็ได้สละแก่บุคคลคือภิกษุรูปเดียวก็ได้สละแก่บุคคลก็พอสําเร็จประโยชน์แล้วท่านไหนจึงกล่าวให้สละแก่สงฆ์แก่คณะก็ได้ อย่างลรไม่เห็นจําเป็นซึ่งแฝงอยู่อย่างไรด้วยเหตุนี้ในทุกวันนี้จึงไม่ได้ใช้คำเสียสละแก่กบุคคลของอยู่ในหัตถบาทคือใกล้ตัวว่าอย่างนี้อีกทังเมพันเตจิวระทสสาหาติกันตังนิสักขิยังอิมาหังอายสมโตนิสัตชามิ ถ้าแก่พรรษากว่าผู้รับกล่าวว่าอาวุโสแทนพันเตพึงรู้อย่างนี้ในศิขาบทต่อไปแปลว่าจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าล่วงสิบวันจำจะสละข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านหลายผืนตั้งแต่สองขึ้นไปรวมสละคราวเดียวกันก็ได้เปลี่ยนคำเป็นพระหุวัจนะว่า อิมานิเมพันเตจีวรานิทสาหาติกันตานินิสัคยานิอิมานาหังอายะสโมนิสัชามิแปลเหมือนกันเป็นแต่บ่วงว่ากว่าผืนหนึ่งเท่านั้นสลักของอยู่นอกหัตถบาทคือห่างตัวก็ได้ว่าเอตังแทนอีตังว่าเอตาหัง แทนอีมาหังว่เยตานิแทนอีมานิวะเอตานาหังแทนอีมานาหังเมื่อสละนั้นเพิงตั้งใจสละให้ขาดรันสละแล้วจึงแสดงอาบัตภิกษุผู้รับเสียสละนั้นหาจจะถือเอาเสียที่เดียวเจ้าของเดิมก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่จะเรียกคืนได้ แต่เป็นธรรมเนียมอันดีของเธอเมื่อรับแล้วคืนให้เจ้าของเดิมไม่ทำอย่างนั้นต้องทุกข์กฎคำคืนให้ว่าดังนี้อิมังจีวรังอายะสมะโตธรรมิแปลว่าข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่านหลายผืนหรืออยู่นอกหัตถบาทพึงเปลี่ยนโดยในยะนี้ ดีวอนเป็นนิสกียังไม่ได้สละบริโภคต้องทุกกฎสละแล้วได้คืนมาบริโภคได้ในสิกขาบทนี้ไม่มีคำบ่งถึงเจตนาท่านจึงกล่าวว่าอาบัตเป็นอจิตตกะคือแม้ไม่เจตนาก็อาบัตแม้เผลอปล่อยให้ล่วงสิบวันไปก็เป็นอาบัต อธิษฐานไว้วิกับไว้หรือของนั้นสูญเสียหายเสียพ้นไปจากความเป็นสิทธิ์ของภิกษุภายในสิวันไม่เป็นอาบัติเพราะเหตุนั้นในตอนหลังเมื่อมีความจำเป็นจะทรงผ่อนปรนด้วยเรื่องอธิเรกจีวร อ, อีกจึงทรงอนุ ญ, ญาตไว้แผนหนึ่งให้วิกัพอธิเรกจีวรคือทำให้เป็นสองเจ้าของซึ่งใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ เรื่องวิกัปนี้จะกล่าวในส่วนอื่นอันหนึ่งในที่นี้ขอแสดงมติของข้าพเจ้าไว้เพื่อเป็นทางสำหรับนักวินัยจะได้ดำริสิกขาบทนี้ทรงพระปรารภจีวรที่นุ่งห่มได้แต่มีที่มาแห่งอื่นว่าผ้าขาวแปดนิ้วกว้างสี่นิ้วเพียงเท่านี้ก็จัดว่า เป็นจีวรต้องวิกับเป็นอย่างต่ำจึงต้องยอมว่าแม้ผ้าผืนเล็กเพียงเท่านี้พอใช้เป็นเครื่องประกอบเข้าเป็นผ้านุ่งห่มได้ก็นับว่าจีวรในสิกขาบทนี้ส่วนผ้าสีต่างๆซึ่งใช้นุ่งห่มได้และไม่อาจสำรอกสีออกนับว่าเป็นอติเรกจีวรด้วยนั้นเข้าใจเกินไปกระมัง ข้าพเจ้าปรารถนาจะเข้าใจว่าไม่ใช่อติเรกจีวรแม้มีภาษิทว่าในวินัยตั้งอยู่ข้างหนักไว้ดีกว่าก็อย่างเห็นว่าถือเกินกว่าพอดีข้อนี้พึงรู้ได้ในเมื่อวิกัปของเช่นนั้นลองนึกสักหน่อยคงรู้สึกเขินใจ